วันงูก็มาทานอย่างเงี้ยพี่ยิงเข้ากระตายมดทุกคนเนี่ยเขามังศดจังสันังสีมาจะกคนได้หรอลูกเข้าเาก็้าเสาจินเด็ดจับภาา้าเขาก็บอกเร่องเขาไปท้า้อนหนักไปเขาอย่างเาก็ทิ้มให้แม่ป่าเรื่องเขาก็บอปวดเข า, าห้าเสาจินเดียดอยู่คุณแม่ดูนี่ก็จ ะ, จะไปส่งหาเพื่อน มันมาสั่ง้พอแห่งแล้วจะไปซุงข้าวมาเพลินข้าวโพดบางนึงเนี่ยมันสัดจังหวัดเนี่ทรงไปเพิ่งมากหลักทรงไปถ้าตายก็ไปซุกข้าวเพล่นเพิ่นชิว่าไหมเพล่นให้ก็มาซุกหาละพ้าตาย นู้ผู้จาของพ่ะทรงอายาหรอกพระเด้ยินเพระ่นสิว่าหอกเอาแต่พระเสด็จยินเพร่พเพล่นเป็นผู้ว่าหน่อยพระเสด็จว่ามากอเป็ยนได้มันบุคลิเก่าขางพระเถาซุมงยุ้ยกิ่ไก่โม่เฮาพระเด่นสิว่ารกดอกโมฮาจะเปลเอิหน่อพระนุชักกับพรนมา ก็เป็นเรื่องของคนคนมากๆก็เป็นเรื่องของคนตัวตายบางคนเนี่ยจะไปเที่ยวเอื้นพี่เอื้อนน้องเอินมากินแคงปลาของแมนเอื้อนว่าเพิ่งตัวตายตัวตายไปเที่ยวเอื้นพี่เอื้อน้องเพิ่งตัวของคนเันเนี่ยเอาที่คนชิมาเป็นเรื่องของคนไผ่ไมางามได้กัท่านย้อนท่านตาย มันนเลพรท่านเนียโอ้ยได้ยินข่าวว่าตายมาเนะี่ยผลพท่านยังคง โ, โอ้ยู่ปะจีวนี้อย่างของมากกันแต่ตวกับท่านทุกค น, นอะพา่ไมยเลยกนอันพุมไ้ท่านหน่เเห็นว่าไปเปิดเบงดิงเราเคยในโกเราเาเห็นอยู่อ้ยบุกขามาเรี่ยเไปเปิเปดวงโรงมันบรเห็นไว้เกียดดเดืเวงโลกเรก็เล้วทันแล้วเนี่ยเาเห็นอยู่ เห็นคนมาก่าเห็นไฟไปเปิดเป็นโลกสิทธิธรรมมากมาเ บ, บิ้งหีบเดีย๋ยวเบงหีบมันก็สิยาบอย่างอึดตายย่างเี่ยบอย่งเื้องอะไรก็บเบืง้งเขาก็เห็นกันเพ่อแห้งเลยถึงมาเบิ้งอีกย่างอีกเวสสุไวในกระซงยังสงูพี่เน่กับเ ข, เขาเขียนไว้เพราะแห้งเนี่เท่าสังไหวซื่อเดี๋ยวมันจีบอกว่าฆากันนี่เขาเขียนพี่เ น, น่กับมันปานน่ะยืดห้าเท้าใคล่ะ ตัวนักศึกษา้อหส่าร้องตูสู้หองกับนักศึกษาพี่นาับบอกาหบึงร่านี่ถ้าสร้างแต่ปากกันเมนดูแแล้วเขาโจมตีได้บ่มีพี่นกับบอกอะพูดงหัอกยงนึงูงหัอกยังหนึ่งากันพูืองหวอกพกเขา้าได้ยินพเ่อหัอพูดงหวอกา้าได้ยินเสร้งเพราะว่าพวหนึงเขาี่กนึ่งาี่ไม่นับนะมันลวสัน ขันโมเหตุรัฐบาลเขาขับโมเหตุตั้งไว้หรอนนแต่เป็นเรื่องของเ้าวจริือข้าว เ, าเห็ดใส่ผู้ยุคู้ยุคข้างหลังเมื่อร่างเล่เมื่อห้ยไม่ห น, ม น, มยยนุ่เมื่อจักายยนุ่งเดือนีตายเย็นหุ่นยักบอกมือ ต, ตายแล้วฟอเขาเรียกว่าตายเย็้มตายห้อนตายแล้วเอาไว้เชื่อกี่เทนพ่นอกมันห่อน นั่นแหะตายห่อฟืนว่ะฉันรับห้องไอรองฟืนกับบัวดอกยกไปไ่ให้กับทศกคู่ว่าอาจารย์เพราะคู่ว่าอาจารย์ตองเพิ่นยกอายุตาเพิ่นเนาะคุณบุตที่ของเพิ่นมันตามโตปันดีก็โตโตก็ท้อขีดตีนเพิ่นไม่อยากเอาไว้ไหยังไกบเพิ่นที่มีประโยชน์ไหมันยากิจนคู่ว่าอาจารย์เพิ่นอันนั้นมันมนนี้เราผู้ใดบ่นทาเเผาศพร้องฟัน เขาขอห้องเขาให้ผู้ใดเพท่านบู้เขาเขาก็ห้องก็ให้ผู้ใดเพาท่านศพรถผู้มันเขากอห้องก็ให้อันเท่าไงมีไคสิมาห้องมาให้ขันเห็นเขาให้ไปถามเนอะมึงใครแง้กุยัดเพื่อขึ้นเจ้ากวางเสียเปียบเลกุยัเพื่อขึ้นเจ้ากวางเสียเปียบเขาจะไปถามกันเห็นคนไหนนั่นนี่ กซื้ออันนั้่ได้ก่อนเลยก็ออกไปแล้วหมดเลหานี้ไใช่เหรอเดินหมดเหรอฮะโอ๊ะออกไปมาชั่งหน่ะหรอขนาดเยอะกว่านั้นอีกไหมฮะขาทุกหม้อ เทาคืนวายนะสิมืออืน่น้งเหตุทนะเลาะเทาคืนวายจะหายมือมาช่วยเหลือมักวดนน ห, หนังสือไหงาประกาศคนละอันละอันมืออืดมือนี้มือนี้มันเดือดอรจะออกกัญชาหนืงอือสิพี่มาแล้วมันพิยูซีหาตมักวดช่วยกันแล้วเขาเขียนบอกว้าอะไรนาถนีน้นาถ น, นี้เข้าเขียนอะไหมดแล้วเ่ากวดมือหนังสือเขาเอามาพักจัพัน ส อ, อสองพัน่ะเออหลายหลายคนเมื่อเดียวนี้ก็แล้วเนาะสองพันมันยังงยง่อีกสามพันป่ะมันเป็นหาพันแมนบ่ะเออแมนบ่ะผู้ใหญ่เพราะออกม า, าอีกเครอมาดหรือเปล่เขาว่าีกล่องสมัคสัยนมือนี่มันเดิกแล้วเนาะมือรุ่นแล้วควอยซอยกันเนาะ เอาหนส้นมอมมาพ่นเอาประกาศมานล้วมาแกะใ่เลยมันพิสอยซีหาโถแล้วเขาเขียนอะไรหมด น, น่ะหละเอ๊งูใส่หนอเอเขีนเเครื่อหนอหนอเพราะ้ซื้ออเขาเขียนเอาขียนเปเคืองหนอเนี่ยไปเอายูบเอา ม, าม้มาหบ้างหนมบ้างว่างส ก็หลยมูบึงตั้งใจปฏิบัิเนี่ยน่อยที่มันเคลื่อนไปอย่างหน้าเขาเห็นเขาซะท่นดีมันไม่นำมือแคบตั้งใจพ้าไว้หน้าทิ้งผลทุกนาัตาท้องสารนี่นี่เขาเขียนมาแล้วนะบ่นี่นี่เขาเขียนมาแล้ว เขาเขียนห้อันพอนี้เพื่อว่าแทนมันจะกุ้มหนึ่งกุ่มหนึ่งกุ้มออกไปคำผิดหน้าสองบรรทัดที่เก็ดยอมจํานวนคําถูกยอมจํานวนคําผิดหน้าแปดบรรทัดที่สิบหกมิได้ว่าไปจนเลยเถิดคําถูกมิได้ว่างไปจนเลยเถิดคําผิดหน้าสิบเก้าบรรทัดที่สิบเก้า อบอุ่นของชั่วนิ อ, อ, อบอุ่นของชั่วนิรันดรคําถูกอบอุ่นของใจชั่วนิรันดรคําผิดหน้าสามสิบสองบรรทัศที่ยี่สิบอตีตะอนาคตคําถูกอตีตะอนาคตปัจจุบันคําผิดหน้าสามสิบสี่บรรทัศที่ยี่สิบทำได้คําถูก ทำสูงได้มิที่ละหนึ่งสอสามที่หาตูมิหาบอาาลท้องเฮ็ดไว้แลสมอัน่ะโอเวรหาอันมีเฮ็ดไว้เจ็ดสี่หาอันนี่ไหมก็มากุ้มนี่ที่นี่สองสามองค์กุ้มนั่นี่ีสองสามองค์กุ้มนั้นที่นีสองสามองค์ต้องอาศัยอันนี้บ้างอันนี้นวัน ก ว, วดฮะอันนมันเห็นเล่หรอกนี่ที่ทางอไรตัวเห็นส อ, อะไรตัวเห็นแบบอะไรอันไรเยอะเนาะเอ้ยไม่เห็นหอะไรเลยเแล้วรขาสั่งกรนมือนี่กั น, กกนมอืออ่นกันจะคอยบังเนาะท่านี่เดียวเดียวองค์ยุคผู้ข้อไปก็ไปห้ทานี่บาทว่ามาตั้งใจเด้อพ่อมาหน้าเด้อ ชดเป็นชดตายเพราะได้เราะูเนอเออเป็นชดตายก็ได้ท่านี่คำนันลำบากกับ่ามา ก, ก้าได้ไหอกเอ้อไ้ก่อเดี๋ยวบ้ง มันตัวมี่ตัวใส่ยัางเทียนตัวมี่เทียนหมืแอ้หร่หรอย่างไอา้งไฟสายเนี่ยไฟสายตัวย่างเอามังทานย่างเอาัวงโตจะไปเท่างเป็นถ้าบาดบนโตตีคือมาเท่ยเี่ย เออแตีดังเนาะบังกิ น, นนะ เ, ออเหรอมดีเนาะคนไปฟองููหรืออขวบขึ้นหนึ่งยู่ยจะปล่อยไก่นะเนอะไม่เมนะือไก่เนาะจ้าตัวเ ด, ด, ด, ด็กกึ๊บกึ๊เลยถ้าวันหน้าไปกูเก่าวาันย่างอะ่ะไปยุ่ยพูดเดียว ยุคผู้ดเดียวกับพระวนาของเกานะ่าต่ว่าแสบของเกานะ่าเนี่ยคือห่าห่อเขาไปกินป่านะห่อเขาเขาไปเดกนะแซบของเกาเพราะมันเหมือหวังว่ า, นะามานันหรอพรวนายุคผู้ดเดียวนะตีงวดไหนมันผงจับมืดงานไปเอาอยืดทำพระเวทผู้เดียวคือกันยืดทำพระเวทผู้เดียวนะตีงวดไหนหงจับมดเงียบใส่ได้กูยังหงจับมด สังเกวเง่ายันจักมัดมันเป็นเองมันรถตองได้คุ่มเขาพาวนายา่ามันเขาของมันเองควมสิย่าน่บมี้จักเวบมาหน่อยเดียวนึงมาเป็นบางข้าวบางข้าวพลาเมอร์มุกฮร่งเทีบกับบมี้จักเวบดจะซือมีแต่เปเครื่องยอยงุ่นใจอะทำหรับ คือว่าตัวเนีเป็นเครื่องอุ่นใจอ่ะเครื่องอุ้นใจนั้นธรรมะที่เรานึกลอาคิดที่จะเอาเป็นอารมณ์ของเรานึกยังกับหัวจังวัดไม่ได้ลงนึกลงคิดตีงนงหัวจังวัก่าทางเก่าเนี่ยหัวจังวดหมอกใส่แลกวขอหัวจังวดขูแขนยแขนมือพิฟพุกิตาหัวจวันวด ยึดบรรูุกับตัวมันบ่ได้ไปเมื่อไม่ได้เึ้ื่อนว่วสิตออรับผู้ใดเดี่ยไปขมูไปขมูสองกนนี่สิน้ำกลนกันนี่้าตัวออกกรณ์นี่สิก็ยังเขาสิตีว่าตัวย่างซากกับประมัคือยังเขาสิอยาอกน้าโตกับปรนัมันในสมคิดนั่นอยันนั้นพูดเดียวมักยงยืนมันให้กได้ยืนบ่มากยังยืนมากเก่าสันเก่าเงายังได้ทั้งนั้นมันสบายอะดูธรรมเพลียงยุคพูดเดีย ยุ่ทำกันยุคูเดียว ja, สองสองเดือนย่ทำกันคนเดียวจาวัดพงาสองเดือนครับยุ Maybe, ่ตบซักแต่ย uh ุค huh. yeah. ูเดียวสองเดือนก็ค mm ัก hmm. ันกระไรยุ่ทำพระเดระนครพนมเนี่ยยคเดียวเดือนนึ่งย่ทำพระเวทบสองมือยุ่บ้านพนงาเดือนนึงก็ครับกันกรไรยคูนเดียว ยผู้เก่านี่ท่านในยุคผู้ยาคาเดือนผู้ท่าตาลได้ไปนั่ผู้ท่าตาลไปนมันก็เลยบวชขาผู้ตาสองพันห้ารอยบอกตนด้วยผู้เก่าจ า, จากพระอาจาออกจากอาารก็มาสองพันห้ารอยเบือเบ้อปา ย, ายู่นี่ยุกระตูเฟืองสามปีได้เทากตูเฟืองมันนี้ร่ผมผาหกนก้าโขดตุ่นเตียนนเ ต, ต, ต, ตีนเขาเห็ก ว, กวัว่ํานี้ะ ก็งลงกดเนี่เขาเหตดการณ์สามปีสามปีสองไม่เยกลมกลมตั้งทีนี้เพราะขนาดสามขันก้าวลงไปมือโน้ขนาดมือน้ัขนาดลูกกลางเลยละ่ะทับตะครห้ำตะไค่มาลุตเพาท่ า, านอ่ะตายเพราะยือแยงนีย ล, ล่ะรุดปึดลงทับตะคหำพายือแยงเลล่ะ ยังิงร่วงตีนอ่ะหญิง่วงที่อันนอนแพ้แนี่ยพุ่นเดี่ยวคุ่นอินมวยเห็นพุ่นอินเป็นเนืนอนแพ้ยุ่งเดียวจนเทียงวันหมตาเลือจะค่ลุกได้ไอมันเป็นโรคสาเลือดมันกับภาษาแต่พุ่นกับพ่นจัดแหละรันเนาะจะปังพนจัดได้ฉีดยาปอกแผลไปฉีดยาฉีดอักเสบไปร่มสองเถ้ ลุไปอาบหน้าหัวคอว่าคือมดทั้งทั้ทั้งนี่ก็ถือถือผ้าหน้าปั้นเหลี่ยวปั้นแล้วปั้นแล้ ว, ลวถือมาปั้นเขาแล้วก็ ถ, าา ถ, ถือมาถือผ้ามาว่าท่านนี่เปนเบลตาดึือมาทังหัวคอน้าตัวนึงนอนน้่น มาบ่าเข้อบอาบงก็เปมาบ่าตา ว, วสัวนวดโค้งทาง่อนหัวมึงสิว น, นอนอยังื่อนี้ม า, าเ้าไปท่ไมล่าสั่งดา ว, วสัวตัวกเจ้ามบ่าก็เป็นเจียวมันกัดแทบบ่าแหลมันออกมาแล้วโค้อองทางวันก่อนหินเคยๆนะก่อนหิดเคยๆวันแปรข้อนบักคาไงนะ ไปนอบอกคาไงไอันวง้งโยน่สวนมันปีนมาคนทา่นาาตอนนี้ก็เกยมาตัวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไ ป, ไปใกล้มันมันคลอดขึ้นแล้วบ้านี่น้วันันละอ า, า, าลาแขนวันโออันขามันยังเีว้ว่าับเ็นตพ่ออะไรเขาขืนว่าหอ น, นี้เลยตวัววดข้อมันทะนี้ตงตบหุ่นเบี้ลูกหุ่น ไ ป, ปงบงไปปง้โตนีไปบงไงฮะนี่ยไปบางไงฮะเนี่ยมันกับไปเพราะว่าดีงานฮะเนี่ยรมแล้วบนนี่หมอบ้างก็ไปเพราะว่าว่าโ ต, ต, ตเพรโตเขนี่ยไีดานโอ้เท่นก็อุมบานไปอุ้มบานไปไปยอนคุณบกลกน่ะคนตนทั้งทงนี่กมือถือหม ท่านี้ือชูหงมเลยชหมลงเบ็บมรองลงเบ็บมัร่องกัอดองยกบาดเขินเอาสี่ขาวนี่หักคือขาวหักก่อนหินสมั่วโดนขางหับย่านบาดเต็มีสติอยวมันมือฝน ต, ตกเล็ดในเส้นยาันกาา็ไดล เว้นมี่เว้นเห็นกับสะเวน้นอะไเว้นลมเลยเดี๋ยวนี้มัดกรรมแล้วม่ได้รบ ม, มานก็คือมัดกรรมเลมาหมดเขาเห็นต่าหลดกับเท่าเยี้ยมกับเท่าเงี้ยมอ็ดรนหุ่นอนี้เขาซิบซี้เาหาีไปดรืงงว่วเขาไปเอานอกไปหวกไปห่า ง, ง, ง, งเขาไปไนไปหางเขาวัดท่ากันเบื้งสักคนเง้ยมวัดท่า วันเขาขันห้ามย่าไงเขาหลงใชวันนี้นนมหม่ไม่ไหลอาเขาหลางนะแถวเนี้แล้ววาเนี่ยแวว네เนี้ยมีอาถนเเขาเป็ด้าอยู่สพ่อแวงแวงเนี่ยสุด ท, ที่มากไปมาถึงบว่วง แ, แ, แล้ววาเนี่ยถึงบ่วงมันเนี่ยเราเล่าไปผุนมันก็เตะก็เตะขาด้าจิพ่อยื๋แม่จี๋ตับจิ๋ปอดมันพ้อนส เทศโบังน้อนบงังหัวเก็บไตอ่ะแล้วเวน้นกรรมมนั่นแหละมันมามันก็ได้ามาให้ร่มเว้นกรรมมันเขาถือบวงแล้บ่วกเค้ยดจานนั่ะนแหละเครียดจานก็เครียดในนอใ้อยรอเขาเตะขาดเห็นโโน้อยเนาภูเก็ตบุญกรรมมนนั่นแหละมันพาให้ร่มนี่สองเท้าสาเท แล้วพอรมโดนเลยบลมบานนี้ก็ไม่ห้าเสีเยาาลลแล้วันข่าวบานนี้รมบาดนีเส็ยเขารอมันทีได้รับทุกท่อห้าในวันตถุสงสารนันดูขัาาวาดจะทุกกะยาคมูห่อมูเขาม่าได้ทุกกระหนาชามห่เด้บวชม า, ากหกรทุกกรนาคเน อ๋ออายุภาษาสี่สิบกว่าไปทุกปั่นห่อเฉยอย่านี้อุ้รุเลยทางอีานนี่หลวงปู่ศรีก็ไว่ทุกซ้ำห่อผู่อด้การไ้เขาไม่ทุกซ้ำห่อผู้ไารชิ้ท่อมุ่งเขม่ทุกซ้ำห่อผพ้ารวั่นมุ่นกขบ่ทุกซ้ำห่อกรนีตกเครื่องบินอผู้ไดจาชิ้นท่ออาจารย์วั่นเนี่ณะปีพันตกเครื่องบินปีเครื่องบินถ้าตก นคนเกษตมันสามสิบกว่าพนะันษาแหละคนอาจารย์ช้นตออาจารย์วันกับ่นเถึงสี่สิบดอกจันทวนก็ขึ้นว่านเถิง จ, จวนอ่อนกอาจารย์วันเนี่ย จ, จนันทวนอาจารย์ช้นท่องเพราอะไรเนียกันจนท่องมมนแก่ประตวนี่พวกพว น, นี้สบายเท่านั้นล้เอเียโอ้ยทุกข์แค่ ข้อนามะนี so no cat, no you, Yo ่สิบสองปีอ่ะบรทุกสิว่าจะไงใช่เียอนามสองปีคือเข้าเจ้าขนวาการบมีนี่หลวงปู่มหาอายุน้ำหนวงปู่หมันเข้าก็บ่กให้ั้นตําเนามี่ไหพ้นตัางนามัไงพ้่ต่างนาให้พ้นเป็นมือัวาดูได้หมู่เ้าวะพ้นต่างนามนี่แคตัวตักเอาถามเอาถต่ว่าไปเอาฟื้นแคตัวก็บ่กให้พ้นเบียดได้พ้นหลวงปู่หาแค่ตัวบีดเอาด่วนแน่ๆก็บอายุน้ำเข้ากับ อาจารย์ก็พ้องละฟืนเนีครับหน้าของอาจารย์ก็พ้องเช่นนี้สองปี๊กับซีคุเอาคุไว้กลางเอาปี๊บไปทั้งนี่เอาปี๊บอันนึงไว้ทั้งฝุดนซีคุแบบไง ตัวคันอายุ40เพิ่นคันอายุเท้าเกจท่าแปดบการท่นพอ่อร้องกันรองแห้งกันาัลูกปูมันไม่เห็นดอกหรอลูลกปูมันเห็นหหดน อ, อกอะไรรูเพิ่นลราอุกรณตัวน้ำฝล ไปร่มที่เพื่อนเขาเนี่ยร่มเบ็บเดียวว่าพอดีร่มเพื่อไปรเทศนีผมมันแห้งเฉยาักคนว่าตัวสิฟวสูงของผมมันใหญ่กว่า่าสักแห้งแห้ไปสักคนมาสักผมนูดหผมบาดยางผมนูดหรอมาสักบุ๊บบุ๊บบไปหมื่นเทียนยอท่นเบบนั่นแต่ว่าแห้งหลายอันยันบอกว่าตัวยืนหัวโย้เท่าล่ารัก กูกระเตะด้วยนึงแล้วผู้วันได้ยนหรว่าเป็นได้ยนแต่พอย่าง็นไห้รล้ผู้มาหายรถงบกันท่าไหรนี่ล่ะกผู้แ่าสีนี่หะครน่เขาเนี้ยใจเย็นแก่ข้อไปแล้วเขาเจามตายกันหมดีวะตายกันห่วะยืนเท่าได้มม่แห้งน้ําัฝังว่านียโอ้ยว่ามันโคตรสดชื่นเัชมันเป็นรงสีว่าจริงว่าเป็นยังกระสวท่าไห่วะเมื่อนี้ตัวพรามพระโลกใบหัว ว่าเาบเข้าอะหมเงือกนีไปผมว่าหมูเงอกมีตัวพระโลใสตัวพระโลใสใสทองซีนแล้วก็พี่ย่งกับตัวที่อาผู้เฒ่าผู้จักนใสตัวตัวของย่างนี่สเพิ่นอยู่ตัวให้ตัวจ้งล่างไม่เละเขาห้าเด็วกวะไหนมาเสร็เพราะว่าเขาฝ่อจ้อไปช็อปฝาเขาไปเป็นกเพิ่งฝนไม่ได้วะ ก็ฟังคกิดบวายยังเี้วกมก็หยิหยอกไมสใช่หรอกว่าวนี่สองข่าเดียกนี่ว่าแต่ว่าอูกร้านเข้าไปเอาเขาบอกด้วยว่าเพราะะไระ้มันมีเรื่องว่าแต่ว่าพาว่าพโรดใส่ยุ่พรรโดใส่น่ได้นิจพัทรได้นิจพัทธ้วได้ ท่านจะคุ้นแล้วล่ะขับไปบินทบานเราไปเยี่ยมามหน้อยเขาตายเล้วบอกคนนี้ว่ากดสั่งไปเขาไปเวาอีดีที่ไหนแม่อ้พิกอ้ะโอ้โหคือวันนี้ไปเรื่องกนท่านี่อะไ่านนี่ไปบางตีนเนี่พาวานาไปเนี่โอ้หัวเื่อจะค่อวาเนาะจะค่อยเอทเนาะนั่งซื้อเนาะวนนี้มันสุดเดือแล้วเนาะไปพานานางขาไฟข้ามัน ก็พอหายปีกะตายดอกดีฉันพ่อลายปีนับตั้งแต่แถวยังโมอเพรหน้าของไทยของวันตื่นมาทราบว่าว่าตายเนปัญหาข้าวมากินตายแล้ ว, รรลวกระเผลตายแล้วกร ะ, กะกเผลเ ร, เรื่อยตัดใหม่นี่ยกวันหนี่ เกิด ม, มาแก่ ม, มาแก่ ม, มาตายแล้วกือที่ไผ่แล้วคือว่าเป็นน้ำไผ่เกิด ม, มาแก่ ม, มาแก่ ม, มาตาย